มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวาโลเกนฐิภาวะปัญหาที่เจ็ดถามว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงย่อมมีในโลกทั้งสิ้นก็สิ่งอะไรเล่าที่ไม่มีในโลกมีหรือไม่ ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัฏฐปัญหาว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาเกษตผู้ปรีชายานบุคคลทั้งหลายจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัเจกภูที่เจ้าก็ดีพระสาวกเจ้าก็ดีมีปรากฏในโลกบุคคลจะเป็นบรมกษัตริย์จักรพรรดิราธิราชก็ดีเป็นพระยาประเทศสราชก็ดี เป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นผู้มีทรัพย์หรือหาทรัพย์ไม่ได้ก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ดีบุคคลจะกระทาบุญกระทำบาปก็ดีผลบุญผลบาปก็ดีบรรดาสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมปรากฏในโลกสิ้นอีกประการหนึ่งสัตว์ที่เกิดในโลกเป็นอนัชกําเนิด เป็นต้นว่าไก่และนกอันเกิดแต่ไข่นั้นก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่เป็นชลามผู้ชักําเนิดทั้แก่มนุษย์เป็นต้นก็ดีสัตว์ที่เกิดในสังเสรชักําเนิดเกิดด้วยเหงื่อใครและละอองเกสรดอกไม้ก็ดีสัตว์ที่เกิดในอุป ป, ปาติกะกําเนิดมีเทวดาเป็นต้นก็ดีย่อมปรากฏในโลกนี้ประการหนึ่งสัตว์ที่หาเท้าไม่ได้ก็ดี สัตว์สองเท้าก็ดีสัตว์สีส่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีย่อมมีปรากฏในโลกประการหนึ่งยักษ์และผีเสื้อและกุมพันธ์และอสูรและคนทันและปีศาจและกินนอนหน้าครุดฤษีวิชาทรก็ดีย่อมมีอยู่ในโลกนี้ประการหนึ่งช้างม้าโคกระบืออูดลาแพะแกะเนื้อสายสุกรราชสีเสือโครงเสือเหลือง หมีเสือดาวสุนักบ้านสุนักจิ้งจอกย่อมมีอยู่ในโลกนี้ประการหนึ่งบรรดานกมีชนิดเป็นอันมากก็มีปรากฏในโลกประการหนึ่งเงินทองแก้วสังแก้วมุกดาแก้วประพานแก้วมณีแก้วแดงแก้วลายแก้วไผทูลแก้วพลึกเพชรการโลหะตามพระโลหะรัชตะโลหะกังสะโลหะ แล้ววัฏฐานผ้าทั้งหลายคือผ้ากระทำด้วยได้กระทำด้วยป่านกระทำด้วยใหยบัวและผ้ากระทำด้วยเปลือกไม้และผ้ากํำพลก็ดีก็มีอยู่ในโลกนี้จะว่าด้วยพืชทั้งหลายเป็นต้นว่าข้าวสาลีและข้าวแดงข้าวเหนียวและพืชต่างๆคือข้าวโพดข้าวฟ่างถั่วงาฟักแฟงแตงน้ำเต้ามะเขือพริก หอมกระเทียมและสารพัดพืชทั้งหลายต่างๆนี้ย่อมมีอยู่ในโลกนี้จะว่าด้วยกลิ่นทั้งหลายต่างๆคือกลิ่นรากกลิ่นแก่นกลิ่นกระพี้กลิ่นใบกลิ่นดอกกลิ่นผลกลิ่นทั้งหลายสารพัดทั้งกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมย่อมมีในโลกนี้ทั้งสิ้นประการหนึ่งตินาชาติเครือ เป็นเถาวัลคเรือกอหนอลำต้นทั้งหลายและแม่น้ำและห้วยหนองสะบ่อทะเลอันใหญ่และเต่าปลาสารพัดสัตว์ก็มีในโลกแล้วที่สิ่งไรนอกกว่านี้จะไม่มีเล่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปให้โยมทราบในการนี้พระนาคเกษนถวายพระพรว่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ สิ่งที่ไม่ได้บังเกิดในโลกนี้มีอยู่สามประการสะเจตนาวาสิ่งที่มีเจตนาเป็นต้นว่ามนุษย์และเดรชานบรรดาที่มีจิตเจตนานั้นก็ดีอาเจตนาวาหรือสิ่งที่หาเจตนาไม่ได้เป็นต้นว่าพฤกษาชาติต้นไม้และบรรดาของที่ไม่มีจิตเจตนานั้นก็ดีอชารามรา จะไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายไม่ยับไม่ยุ่ยไปหามิได้ประการหนึ่งสังขารานังนิจจตาความที่สังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงยั่งยืนหามิได้ประการหนึ่งปรมัตเถนะศัตตูปลัธิที่เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยปรมัตหามิได้ประการหนึ่งสิลิเป็นสามประการเท่านี้ไม่มีปรากฏในโลก สมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังจิงตรัสว่าพันเตนาคเสณะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเอวะเมตังตถาโยมจะรับคำของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้ไว้เป็นที่คำนับสืบไปในการบัดนี้โลเกณถีภาวะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้